คนกระบียกมือซอิที่มาจากกระบียกมือหน่อยไม่มีอ๋อนีอ๋อไม่ใช่คนไทยะอ๋อจากหาใจญ่เหรอไหนหัดใหญ่หันกำลังโศมเลย นั่งรถมาเรียนธรรมะม ก, ก็ต้องอดทนอย่างนี้แหละนะยุคนี้ยังดีมีเครื่องช่วยมียูทูบมีซนะีดีเอมพสามมีคลิปอะไรต่ออะไรให้ดูเยอะแยะสามสิบกว่า ป, ปีก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารยนะ์ก็แบบพวกเรานี่ ลำบากกว่าพวกเราอีกไม่มีรถตู้ให้ฟรีหรอกคือรถทัวร์อล้รถไฟไปไปต่อรถเข้าไปอำเภอจากอำเภอต่อรถไปหมู่บ้านบางที่ไปไม่ทันรถเขาวิ่งไปแล้วก็เดินอ ว, วันหนึ่งก็มีรถเที่ยวเดียวเข้าหมู่บ้านเรืตองไปเดินลำบากกว่าพวกเราเยอะเลย ที่ไปบางแห่งบางวัดเราไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนด้วยซ้าไปไม่อยู่ใต้ต้นไม้ก็เคยอยู่ไม่ไม่มีกุฏิอยู่แต่ทั้งเมืองสุรินทร์นะมีกุฏิให้อยู่ แต่ถึงหน้าร้อนเนี่ยอยู่ไม่ได้มันร้อนจริงๆต้องไปอยู่ใต้ทุนกุติอยู่กับหมาหมาฉลาดนะหมามันขุดหลุมดินเอาไว้เราไปดูมันอยู่ใต้ทุนรู้สึกตรงเนี้ยมันขุดเอาไว้เย็นดิไปขออยู่กับมันกว่าจะได้ธรรมะม า, มานะไปเรียนเนี่ยไม่ใช่ง่าย บางทีไปแล้วก็ไม่เจอครูบาอาจารย์ทนาภพาศไม่ได้ออกมัชากุติเราตอนนั้นรู้จักคนในวัดแล้วละ่ะเล่นเส้นเข้าไปก็ได้แต่ว่าไม่เล่นครูบาอาจารย์อาพาธเราไปภาวนาเอาบางคราวไปถึงวัดเราไปจากกรุงเทพยังไปหาหลวงปู่สิมนะ ขึ้นไปบนรรมผาปล่องขึ้นภูเขาไปไปถึงวัดพระทั้งนนท์บอกท่านเข้าวกรุงเทพเหมือนเรานะเจ็บใจมากเลยลเราไม่รู้ท่านข้าวกรุงเทพเราก็ไปจากกรุงเทพไปหาท่านทีไปก็ไม่เจอบางครั้งก็เจอบางครั้งก็ไม่เจ อ, อยิ่งครูบาอาจารย์อายุมากขึ้นมากขึ้นนี่แทบไม่อยู่วัดเลย บางทีคนก็นิมนต์ต่อผันไปเรื่อยๆจากบ้านนี้นิมนต์ต่อไปบ้านโน้นบ้านโ น, น้นนิมนต์ต่อไปอีกไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดแน่นอนบางที่ครูบาอาจารย์ท่านก็หลบท่านไม่ไหวแล้วหลวงพ่อพุธ ท, ท่านก็เป็นมะเร็งถ้าอยู่วัดรับแขกทั้งวันเดี๋ยวก็มรณภาพนะติดเชื้อต้องหลบ ไม่กว่าจะได้ธรรมะมาไม่ใช่ง่ายนะแต่ว่าช่วงแรกที่เข้าไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยไปที่ไหนเจอทุกทีในยุคที่เราจำเป็นต้องเพิ่งครูบาอาจารย์พอยุคที่ไม่จำเป็ น, นไม่เจอส่วนใหญ่แล้วไปแล้วก็ไม่เจอตอนหลังเลยไม่ไปไหนเลยเพอมาบวชมาตั้งวัดขึ้นมาหลวงพ่อเลยมีประกาศ วันนี้อยู่อันนี้ไม่อยู่อนะไรเงี้ยเพรเราเคยชอบช้ําใจมาแนละ้วไปแล้วไม่อยู่แต่มาศรีราชานี่ยมันยังใกล้นะ่ะไม่อยู่ยังไม่เท่าไหรนะ่แล้วเดี๋ยวมาใหม่โอได้ไม่อยู่ไกลๆนั่งรถทั้งวันทั้งคืนลำบากกว่าหลวงพ่อจะได้ธรรมะมาเนะี่ยเข้าไปหาครูบาอาจารย์แล้วท่านสอนพอท่านสอนแล้วเราลงมือทําเลย อะไรที่ได้ยากเนี่ยมันจะมีคุณค่ามากเวลาเรียนจากหลวงปู ด, ดูลเนี่ยตอนเรียนนะถ้าจะไปควักเอาเทปเอาอะไรออกมาเทปยุคแรกๆที่หลวงพ่อเข้าวัดอ่านแค่นี้เคยหิ้วเลยเหมือนกันหลวงปู่มาลูบๆนะแล้ท่านก็ถามว่ามันอัดเสียงได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยท่านไม่เคยเห็น แต่จริงๆแล้วท่านไม่ยอมให้อาดหรอกบางทีท่านก็ยอมเพราะว่าสงสารเราอยากได้เสียงของท่านไว้อัดมาได้นะคนก็ยืมไปฟังแล้วมันก็เป็นสุญญตา <laughs> <laughs> <laughs> เวลาฟังครูบาอาจารย์เทศท่านไม่ให้จดด้วยซ้ำไปไม่ให้เทพไม่ให้จด ให้ตั้งใจฟังเอาวิธีฟังธรรมะก็คือนั่งสมาธิภาวนาของเราไปดูจิตดูใจของเราไปครูบาอาจารย์ท่านก็นั่งของท่านเงียบๆไปพอใจของเราเหมาะกับธรรมะอันใดอนหนึ่งขึ้นมาท่านก็จะบอกให้เพราะนบางทีไปอยู่กับท่านตั้งหลายชั่วโมงท่านพูดไม่กี่ยรโยค แต่สิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นประโยชน์กับเราจริงๆอย่างหลวงพ่อเทศหน์เทศเยอะแยะเลยเพราะพวกเราเยอะยุคที่หลวงพ่อเข้าหาครูบาอาจารย์ไปคนหนึ่งสองคนหลายๆวันนี้มีคนไปเรียนก็นมาฐานที่หนึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยจำหลวงพ่อได้ท่านรู้ว่าหลวงพ่อปฏิบัติจริงๆทําไมรู้ทั้งทั้งที่ไม่รู้จักไม่เห็นยากเลยนะมองหน้าก็รู้ลนะ คนภาวนาแต่คนไม่ภาวนาหน้าตาไม่เหมือนกันหรอกคนภาวนาหน้าตาสว่างผ่องใสดูสะอาดหมดจดบางคนดูจริงๆไม่สวยเลยแต่ภาวนาแนละ้วมันดูสวยดูงดงามสะอาดหมดจดน่าดูคนไม่ภาวนานะแต่งหน้าให้สวยยังไงมันก็ดูน่าเกลียดพาความโสกลกมันออกมาจากข้างใน คนที่ดูเป็นก็มองปลาดแค่ก็รู้แล้วใครภาวนาหรือไม่ภาวนาอย่างพวกเรา่ามาหลอกหลวงพ่อว่าหนูขยันภาวนาไม่เชื่อบางทีนั่งรถไปข้างนอกวัดบางทีไปไกลๆนะเห็นคนอยู่ข้างถนนอะไรเี้ยดูปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยดูยูทูปหลวงพ่อป ร, ประโมทโปรโมชั่ม รู้เลยว่าเขาฟังเขาดูน่าหน้าตาเขาไม่เหมือนคนทั่วไปว่าคนมีสติกับคนไม่มีสติหน้าตาไม่เหมือนกันคนมีสีเนี่ยคนไม่มีสีหน้าตาไม่เหมือนกันคนมีสมาธิที่ถูกต้องกับมีมิจฉาสมาธิหน้าตาก็ไม่เหมือนกันคนเดินปัญญาได้กับคนเดินปัญญาไม่ได้หน้าตาไม่เหมือนกันคนได้มรรคผล กับุถุชนก็ไม่เหมือนกันหน้าตาเปลี่ยนไปพระ า, า, าริยะแต่ละชันหน้าตาก็ไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนไปตามคุณภาพของใจหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ท่านมองหน้าท่านสอนไม่ต้องถามหรอกเรียนกรรฐานจริงๆอย่าโลภมาก อย่าอยากได้กระทั่งความรู้อยาอยากได้กระทั่งมรรคผลนิพพานเอาใจที่สงบรู้เนื้อรู้ตัวเข้าไปเรียนเม ใ, ใจของเรามีคุณภาพแล้วนียครูบาอาจารย์จะถ่ายทอดธรรมะออกมาที่พอดีกับใจของเราดังินธรรมะแท้ๆเนี่ยเรียนกันด้วยใจเอาใจไปแลกกันบางคนได้ยินหลวงพ่อ บ, บอกว่าเรียนธรรมะต้องเอาใจมาแลกกันนะ คิดว่าหลวงพ่อจีบผู้มีไหมคิดว่านี่อาจจะมาแลกใจกันเราสส่ใจเย็นมากเลยไม่ใช้แปลแไบอย่างนั้นธรรมะเรียนกันด้วยใจเอาใจมาแลกกันพวกเราเอาใจที่ใฝ่ธรรมะใจที่สงบใจที่รู้เนื้อรู้ตัวเข้ามาเรียนพวกเราถ้าไม่เรียนอย่างกวายไม่มีทางเรียนกรรมฐานได้กไายมีความอดทน เรียนอย่างลิงไหมฉลาดลิงลูกลิกลูกลิกไม่ได้ทรม้าหรอกถ้าเรียนอย่างควายจะได้ควายมีความอดทนไม่พูดมากอดทนจริงๆเรียนธรรมะไม่อดทนไม่ได้กินหรอกรนี่หลวงพ่ออดทนมากนะในการเดินทางไปหาก็ต้องอดทนแล้ว ได้ธรรมะมาต้องฟังเวลาฟังทำสมาธิแล้วฟังไปแล้วธรรมะ ม, มันจะเข้ามาในใจเราบางคนกลัวจําไม่ได้ไม่ต้องจํามันต้องใจถึงขนาดนั้นไม่ต้องจําฟังไปเถอะแล้ววันหนึ่งที่เราภาวนาไปถึงจุดตรงนั้นหรือเราติดขัดอะไรขึ้นมาธรรมะที่เคยฟังไว้มันจะขึ้นมาเอง จะถ่ายทอดออกมาจากใจเราเองเราก็จะปิ้งขึ้นมาโอ้ตรงนี้เองที่ครูบาอาจารย์เคยบอกนี่ยหลวงปู่ดุลเคยสอนอะไรหลวงพ่อมายนะุคที่ท่านสอนอยูนะ่เราไม่เข้าใจหรอกบางเรื่องกว่าจะเข้าใจยนะี่สิบกว่าปีถึงจะเข้าใจ อย่างท่านบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงที่ท่านสอนอย่างนี้ท่านถามมาเข้าใจไหมกลับเรียนท่านว่าไม่เข้าใจแต่ผมเนี่ยจำไหมนี่ท่านย้ำให้จําครั้งก่อนๆท่านไม่เคยย้ำให้จําอันนี้ท่านย้ำให้จําเพราะว่าท่านจะไม่อยู่สอนเราอีกแล้ว เราต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะเรียนรู้ธรรมะอ น, นี้แต่ปกติไปหาท่านท่านจะบอกธรรมะล่วงหน้าให้ช็อตหนึ่งเราก็ภานาขงเราไปเดี๋ยวก็ไปเจออย่างที่ท่านบอกอย่างท่านเคยบอกให้ดูจิตหลวงพ่อดูจิตมันเป็นคนรู้คนรู้มันอยู่ข้างบนนียแต่พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกทุกมันอยู่กลางหน้าอกนี้ มันไหวกระเพิ่มอยู่ตลอดเวลาทุกอยู่นี่หลวงปู่ดูนให้ดูจิตพระพุทเจ้าให้ดูทุกถ้าไมหลวงปู่สอนขัดกับพระพุทธเจ้าหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดว่าหลวงปู่สอนผิดหรอกเราดูท่านสะอาดหมดจดมากเอาคิดแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจไม่คิดว่าพระไตรปิฎกผิดด้วยนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนะี่ยเรา อ่านมาจากพระไตรปิฎกไม่คิดว่าพระไตรปิฎกผิดล้วก็ไม่คิดว่าหลวงปูดด่ดูลผิดแต่ทำไมไม่เหมือนกันสิ่งที่ท่านสอนเกิดที่พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกหลวงปู่ ด, ดูลบอกให้ดูจิตภาวนาอยู่นานนะยี่สิกว่าปีเหมือนกันการบ้านข้อ น, นี้อันนี้หลวงปู่บอกให้ดูจิตเฉย แต่หลวงพ่อไปเห็นความไหวที่ที่หน้าอกเนี่ยสงสัยจะดูตรงไหนเลยวไปถามหลวงปู่หลวงปู่ครับจิตอยู่ที่ไหนครับหลวงปูบ่บอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งยิ่งหนับ ก, กว่าเก่าอีกเรากำลัลงสงสัยว่าตั้งอยู่ข้างบนหรือตั้งอยู่ตรงกลางอกนี่หลวงปูบ่บอกไม่มีที่ตั้งถามมากก็ไม่ได้นะถามมันมาจากความคิดอีกแนละ้วครูบาอาจารย์ว่าไม่มีที่ตั้งไปดูเอา ไม่ใช่ถ้าหลวงพ่อบอกให้ทํากรรมฐานนะไรก็ทาเมานะไมนต้องชิดมากหรอชิดมากยากหนานเป็นกวายบ้างโง่ไว้คุณแม่จันดีท่านก็พูดดีนะบอกถ้าเจ้าเป็นผ้าชีริวไม่ได้ผ้าเช็ดตีนเจ้าเป็นไม่ได้ค่าประสอนเจ้าไม่ได้เหมือนกันต้องเป็นผ้าเช็ดเท้าได้ครูบาอาจารย์สั่งก็ทําไปเลยใจไม่ต้องถึงขนาดนั้นนี่หลวงปู่บอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งเวรละกู นึกว่าอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างสงสัยเกิดช้อยที่สามขึ้นมาไม่มีที่ตั้งเอาแล้วมาดูต่อมันไม่มีที่ตั้งทำไมไ ม, ม่มีที่ตั้งสังเกตไปเรื่อยนะที่แท้จิตเกิดตรงไหนจิตก็ดับตรงนั้นไม่ต้องไปตั้งไว้ที่ไหนเลยไม่ต้องเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนเลยจิตเกิดตรงไหนมันก็ดับอยู่ตรงนั้นนะแหละเราก็รู้ไป จิตเกิดที่ตาเราก็รู้จิตดับจากตาเราก็รู้จิตเกิดที่หูเราก็รู้จิตดับที่หูเราก็รู้จิตเกิดทางใจไปคิดเราก็รู้ว่าจิตหลงไปคิดพอรู้ว่าจิตหลงไปคิดเนี่ยจิตที่คิดก็ดับเกิดเป็นจิตที่รู้แม้จิตเกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตคิดเดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตไปดูเดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตไปฟังเดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตไปดมกลิ่น ไปริมรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจไปเพ่งอารมณ์กรรมาฐานทางใจเนี่ยสารพัดจิตทุกดวงเกิดระดับงั้นที่หลวงปู่ดูลบอกจิตไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งถาวรเรานึกว่าตั้งอยู่กลาง อ, อกหรือตั้งอยู่บนหัวที่แท้ไม่ใช่เนี่ยครูบาอาจารย์สก่อนสอนโหดมากนะไม่มีคำอธิบายตอบคำเดียวจบ ถ้าเราไม่อดทนในการเรียนในการสังเกตของจริงเราไม่ได้ของดีหเราปู่บ่กจิตไม่มีที่ตั้งก็ไปสังเกตเอาความเข้าใจของเราว่ามันมีที่ตั้งไม่ตั้งอยู่ข้างบนก็ตั้งอยู่กลางหน้าอกนี้นี่พอรู้แล้วจิตเกิดดับไปไร้่อยๆแล้วพอเรารู้ทันจิตมันก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา เราจะดูตัวนี้ผู้รู้เนี่ยหรือจะดูตัวทุกเนี่ยอันนี้ก็สงสัยอยู่ยี่สกว่าปีสุดท้ายก็เข้าใจแต่ก่อนจะเข้าใจตัวเนี้ยมันผ่านขั้นตอนการเรียนรู้มาก่อนหลายๆขั้นอย่มันเริ่มจากขั้นตอนที่เรียนรู้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเรา ต่อมาก็มาเรียนรู้เห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกต่อมาภาวนามาเรื่อยๆก็รู้ว่าจิตนี่คือตัวทุกพอรู้ว่าจิตคือตัวทุกเนี่ยคําสอนของพระพุทธเจ้ากับของหลวงปู่ดูลมาชนกันและพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตก็จิตนั่นแหละคือตัวทุก คำสอนของหลวงปู่ดูนีที่ท่านสอนเนี่ยท่านตัดเข้ามาถึงจุดสุดท้ายของการสอนเลยที่สอนบอกจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธเนี่ยท่านสอนมาที่จุดสุดท้ายของการปฏิบัติความจริงถ้าจะพูดให้เต็มที่นะให้ตรงสภาวะจริงๆ ก็ต้องบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยคือเป็นเหตุผลที่จิตสงออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคไม่ใช่มรรคธรรมดาผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือเกิอดเรียผลแล้วก็สัมผัสปนิพานทําไมจิตเห็นจิตยังแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคเพราะว่าในเวลาที่เราภาวนามาเนี้ เราจะเรียนรู้ขันห้ารูปธรรมนามธรรมใจมันจะรู้แจ้งว่าขันห้าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้ได้เป็นพระโสดาบันต่อมาปัญญามันแก่กล้าขึ้นนะมันจะเรียนของที่หยาบก่อนมันเป็นของมันเองนะมันจะมารู้แจ้งกายก่อนรู้แจ้งจิตรู้แจ้งกายว่าอะไรกายนี้คือตัวทุกข์ ทุกขล้วนๆไม่ใช่ทุกบ้างสุขบ้างอย่างที่พวกเรารู้กึกอย่างพวกเราปัญญาอะไรไม่ถึงเรายัางเป็นกวายขนานตั้งเดิมงั้นเราอย่างคิดว่าร่างกายนี้เป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างไม่ตรงที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าบอกขันห้าเป็นทุกข์รูปนามนียเป็นทุกข์ดงนตัวร่างกายนี้ต้องเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกบ้างสุขบ้าง งั้นเมื่อเราเห็นไม่ตรงที่พระพุทธเจ้าสอน่ะเรอยังข้ามข้ามกิเลสชั่วยหยาบทั้งหลายข้ามไม่พ้นยังเวียนว่ายต่ยเกิดอยู่งั้นขั้นแรกสุดเลยนะเรียนมาเพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีดูลงมาที่กายกายไม่ใช่ตัวเราดูลงที่จิตจิตไม่ใช่ตัวเรา ดูที่ความรู้สึกทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่ตัวเราดูตรงไหนก็ไม่มีตัวเราดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตมันเข้าใจความจริงตัวเราไม่มีได้เป็นพระโสดาบันถัดจากนั้นจิตมันก็จะมาเรียนรู้ขันห้าอยู่นี้แหละบางทีร่างกายเคลื่อนไหวจิตก็รู้สึกบางทีความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นจิตก็รู้สึกกุศลอกุศล ซึ่งคือเป็นตัวสังขารเกิดขึ้นจิตก็รู้สึกจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกทั้งตาหูจมกูกลิ้นกายใจจิตก็รู้สึกนะเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าทั้งขันห้านี้ยไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ดูมันเกิดดับไปเห็นทั้งหมดเลยทั้งขันหานี้ยนะตัวจิตคือตัววิญญาณนะวิญญาณทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจคือตัวจิตนี่นเราดูไปเรื่อย แล้วเวลาความเข้าใจในขั้นถัดมาเนี่ยมันจะไปเข้าใจที่กายก่อนเพราะกายน <ร upa. S 1> ี่น LIKE เป็นของหยาบเรียนรู้ง่ายอย่างปุถุชนสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราปุถุชนหรือคนศา ส, สนาอื่นเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยเห็นได้แต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตเป็นเราถ้าวันใดที่เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะ ขันห้าทั้งหมดทั้งกายทั้งใจจะไม่ใช่เราเป็นผ้าสดาบันตรงที่เห็นจิตไม่ใช่เราทีเดียวนั่นแะครอบคลุมทั้งหมดละนี่ถัดจากนั้นมันจะมาดูดูขันห้ามทำงานไปเรื่อยๆที่ดูจิตเกิดดับไปเรื่อยๆแต่ความรู้แจ้งขั้นต่อไปมันจะไปเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์แต่เดิมเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเรานะ แต่ไม่เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์มันเป็นตัวทุกข์บ้างสุขบ้างวันหนึ่งภาวนาไปด้อยมันปิ้งใึ้นมาไกยนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปในกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะเดินไปชนเสาหัวแตกแล้วเป็นทุกข์ไม่ใช่เั้นมันเป็นทุกข์อยู่ทั้งๆที่ อยู่ปกติอย่างนี้นะถ้าเห็นได้อย่างนี้นจิตจะวางกายออกไปนะเป็นภูมิธรรมของภานังขาไม่ยึดกายแล้วละ่ะถ้าเราดูมาทางจิตนะไม่ได้ดูทางกายนะมันจะเกิดปัญญาอีกแบบหนึง่งมันจะเห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์จิตอยากอยากอะไรบ้างอยากในรูปเสียงกลิน่นรสผลิัณฑธรรมารมณ์นั่นเอง เพราะฉะน้นมันรู้เลยจิตที่อยากดูเกิดขึ้นก็ทุกข์จิตที่อยากฟังเกิดขึ้นก็ทุกข์จิตที่อยากดมกลิ่นอยากนิ้มรสอยากรู้สัมผัสทางกายเกิดขึ้นก็ทุกข์จิตอยากดีอยากสุขอยากสงบก็ทุกข์จิตมีความอยากเกิดขึ้นที่ไหนจิตทุกทุกทีเลยเพอ ร, รู้อย่างนี้ปุ๊บนั่มันจะละความผิวโหวยในรูปเสียงกลิ่นรสพทธะได้ มันคือภูมิธรรมของพระอนาคานั่นเองเงินถ้าเราเดินมาทางกายนะเราจะเห็นกายนี้เป็นตัวทุกข์มันรู้พระอนาคาถ้าเดินมาทางจิตเราจะเห็นนะมีความอยากมีความยึดก็มีความทุกข์ไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์เห็นอย่างนี้อันนี้เห็นถูกไหมมีความอยากมีความยึดก็มีความทุกข์ไม่มีความอยากไม่มีความยึดก็ไม่ทุกข์เห็นถูกไหมเนี่ย ตอบไม่ถูกดีอนุโมทนาถ้าตอบได้แสดงว่าคิดเอาถ้าตอบได้คิดเอาเองยังไม่เห็นของจริงถูกจิตอยากจิตยึ ด, ยดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์ถูกหรือผิดถูกแต่ถูกในขั้นพระอนาคามีสูงกว่านั้นผิดถ้าสูงกว่านั้นจิตจะอยาก จิตจะยึดหรือเปล่าจิตก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจิตจะอยากจิตจะยึดหรือจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตก็เป็นทุกข์นั่นแหละอันนั้นเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วตรงนี้ยเกิดปัญญาแทงตลอดในจิตรู้ความจริงแล้วจิตนี้คือตัวทุกข์เราะงั้นที่หลวงปู่ดูลบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมัจถ์ถ้าพูดให้เต็มที่นะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมัจถถึงที่สุดตรงนี้เลย งั้นมันแตกหักกันลงที่จิตตัวผู้รู้นี่เองไม่ใช่จิตจะจอบว่างง้ยนะไม่ใช่จิตไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไอ้นั่นพ้านาคาเห็นแล้วไอ้ตัวนั้นทุกจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้เป็นตัวสุขไปเห็นอย่างนั้นร้อยภาวนาไปเรื่อยนะเห็นนะกระทั่งจิตผู้รู้ก็เป็นตัวทุกบางท่านเห็นว่ามันทุกเพราะมันไม่เที่ยง เพราะว่าตัวผู้รู้เกิดแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปเรียกว่าไม่เที่ยงไม่มีนิมิตหมายไม่มีเครื่องสังเกตอีกต่อไปเกิดแล้วดับไปหมดเลยเรียกว่าอา น, นิมิตตาวิโมกหลุดพ้นเพราะเห็นความไม่มีเครื่องหมายที่จะสังเกตได้ทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดกระทั่งตัวผู้รู้สำหรับท่านที่ทรงฌานเวลาจะรู้แจ้งจิตว่าเป็นตัวทุกเนี่ย จะเห็นว่าจิตมันเป็นตัว iatric, ตทุกข์เพราะมันถูกบีบขั้นกระทั่งฌานสมบัติก็เป็นเครื่องบีบคั้นจิตกระทั่งฌานสมบัติก็เป็นเครื่องบีบคั้นจิตไม่ใช่ของดีของวิเศษอีกต่อไปละเพราะฉนั้นจิตจะไม่ตกอยู่ใต้รู ป, ปราคารู ป, ปราคาะเพราะกระทั่งฌานสมบัติยังเป็นของบีบคั้นไลยเนี่ยมันเห็นลึกซึ้งขนาด น, นี้เพราะส่วนใหญ่ท่านที่บรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ย ส่วนให่คือท่านผู้ส่งฌานเลยเล่นเล่นฌานเล่นอะไรพวกนี้มันปิ๊งขึ้นมานะว่าจิตนี้คือตัวทุกข์พอเห็นอย่างนี้ก็จะวอกปล่อยวางได้อันนี้เรียกว่าอปาณิหิตาวิโมกหลุดพ้นเพราะเห็นทุกข์เห็นมว่าจิตนี้ถูกบีบขั้นพวกเราเห็นมว่าจิตถูกบีบคั้นบ้างยังเห็นได้บ้างเวลากระทบอารอมณ์ที่ไม่ดีรู้สึกไหมจิตถูกบีบขั้น เวลากระทบอารมณ์ที่ดีจิตไม่ถูกบิบขันในความเป็นจริงแล้วทุกครั้งที่กระทบอารมณ์เนี่ยจิตมีภาระขึ้นทั้งสิ้นตามองเห็นจิตก็กระเพื่อมหมูได้ยินเสียงจิตก็กระเพื่อมจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตก็กระเพื่อมมนะทุกตลอดเลยใจคิดจิตก็กระเพื่อมอีกเพราะนั้นทุกคราวที่กระทบอารมณ์ จิตเนี่ยกระเทือนตลอดเวลาจิตที่ทุกข์นะถูกบีบขั้นตลอดเวลาเนี่ยถ้าปัญญาแก่รอบนะก็จเห็นโอ้ ح, จิตจะเป็นตัวทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะถูกบีบขันบางท่านเห็นว่ามันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมีแล้วก็หายไปบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบขันอันนี้เรียกเห็นทุกขังนะบางท่านเห็นว่าจิตผู้รู้เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับ เป็นสุญญาตาเรียกว่าสุญญาตาวิโมกเนี่ยเวลาเห็นจิตเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแนละ้วยรู้ว่าจิตเป็นตัวทุกข์มันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนรู้อริยรสัจสี่รู้ทุกข์อะไรเป็นทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์ขันห้าที่ดูยากที่สุดว่าเป็นทุกข์คือตัวจิตผู้รู้เนี่เองถ้าเห็นมาถึงตรงนี้แนละ้วที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงนี้จิตปล่อยวางจิต ทิ่งนีจะปล่อยวางโลกทั้งโลกไม่ยึดอะไรอีกแล้วเนี่ยกว่าจะเข้าใจที่ครูบาอาจารย์สอนนะใช้เวลาต้องภาวนาเอาอย่างฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็คิดไปเรื่อยๆยี่สิปีไม่บรรลุอะไรหรอกสังเกตของจริงในใจเรากิเลสอะไรเกิดเคยรู้สุขทุกข์เกิดเคยรู้ดีชั่วเกิดเคยรู้ หรือจิตวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคอยรู้คอยรู้เท่าทันไปด้อยหรือเห็นร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้ไปร่างกายหายใจจิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้เนี่ยฝึกอย่างนี้ไปดูความจริงของกายได้ก็ดูไปดูความจริงของจิตใจได้ก็ดูไปจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนก็ได้ทั้งนั้นแหละมันสุดท้ายมันก็ลงไปที่จิตอันเดียวกันนั่นแหละ อยากจะดูจักกายก่อนนะก็เห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูสุดท้ายนก็มาปิงลงที่จิตนี่เองจะดูกายก่อนก็ได้แต่สุดท้ายก็มาตัดกิเลสกันตรงที่จิตนี้แนหะถ้ามีกําลังมากพอดูเข้ามาที่จิตเลยรัดสั้นหน่อยไม่ต้องไปอ้อมคอมมาดูกายดูกายก็เพื่อจะให้มีกําลังมาเห็นจิตถ้าเห็นจิตได้แล้วก็ไม่ต้องไปดูกายแล้วะเสียเวลา นี่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่ออย่างนี้นะหลวงพ่อเคยไปถามท่านนะหลวงปู่ครับผมต้องไปดูกายไหมไปที่ครูบาอาจารย์อื่นนะเห็นท่านสอนคนอื่นแต่ครูบาอาจารย์อื่นๆเวลาสอนหลวงพ่อแนละ้วสอนดูจิตนะกระทั่งหลวงตามหามบัวยังให้ดูจิตเลยแต่ได้ยินท่านสอนคนอื่นนะสอนให้ดูกายเราก็เลยมาถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับผมต้องไปดูกายไหม หลวงปู่มองหลวงพ่อด้วยสายตาที่ยังจำได้มองแบบสังเวชมากเลยถามอะไรงี่เง่าเนี่ยเนี่ยมันกายตัวจริงเลยนะถามออกมาได้สุดท้ายท่านก็บอกว่าที่เข้าดูกายเพื่อให้เห็นจิตก็เราเข้ามาถึงจิตแล้วยจ่ไปเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งอะไรเงี้ยท่านใช้กำว่ากายเป็นของทิ้งทิ้งมันไปเลยก็เข้ามาที่จิตแล้วไปวกไปที่กายทำอะไรอีก หลวงปู่ท่านบอกอย่างนี้นะหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์อื่นๆนะถ้าวงไหนที่ท่านถึงสุดขีดแล้วเนี่ยท่านจะลงมาที่จิตหมดเลยไปหาหลวงปู่เหลียนช่วงแรกๆนะหลวงปู่เหลียญเนะ่ท่านเจอหน้าหลวงพ่อท่านก็พูดพุดโธเพี่ยนักกายแต่ท่านภาวนาของท่านมาเรื่อยๆนะช่วงหลังๆไปเจอหน้าท่านพูดแต่ให้ดูจิตทั้งนั้นเลย อท่านท่านเข้าใจแจงแ้งนะ้ท่านก็ลงมาที่จิตท่งวงอะหลวงู่เทศก็ลงที่จิตหลงตาเพราะลงที่จิตหลวงปู่สิมก็สอนลงที่จิตเหมือนกันหมดเลยเหมือนกับที่หลวงปูดูลหลวงปู่สามอะไรสอนก็นแบบเดียวกันนั่นพวกเราฟังแล้วก็จำไว้ก่อนยังไม่รู้หรอกกรรมพันปวายของเราเข้มแข็งยีนเราแข็ง เราอดทนไว้อดทนไว้นะให้เหมือนกายนะควายทนนะอดทนถูกดูถูกด่ถกดาถูกเคี้ยนตีอะไรก็ทนต้องทนอย่างนั้นอนะ่ะสู้กับกิเลสไม่อดทนเอาชนะไม่ได้หรอกหลวงพ่อเราทนนะไม่เก่งหรอกหลวงพ่อแต่หลวงพ่ออดทนดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนะกี่ปีกูก็จะปฏิบัติไม่เคยคิดถอยเลย นี่แหละอดทนเอาได้ดีก็เาพาออดทนนี่แมวกัดกันอีกแล้วอักไปกินข้าวนิมนต์เป็นสัตว์นะั้นลำบากนะมันดำรงชีวิตอย่างยากลำบากพวกเราอย่าไปรังแกสัตว์เขาทุกข์มากอยู่แล้ว